ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปูพุติยานกำลังนำเสนอสีลข้อที่หนึ่งคือปานาริบาตกว น, นั่นแสดงในแนวที่ค่อนข้างพิสดารเพราะวปานาริบาทก็คือเรื่องของชีวิตเรื่องของสวัสดิภาพเรื่องปัญหาจักกรรม เรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องชีวิตทั้งนั้นในด้านการงดเว้นจากการทำปาปณาติบาต์พูดง่ายว่างดเว้นจากการทำสัตว์ให้ตายเนี่ยตราบว่ามีการระพุทธปฏิบัติที่ต่อเนื่องทั้งฟังคงเคยได้ยินข้อความในจุลักกมภีิภังในสูตร ที่มานบมากลับทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมคนเราเกิดมาอายุยืนทําไมเกิดมาอายุสั้นทําไมโรคน้อยทําไมโรคมา ก, นนกนเนี่ยในกรณีนี้ทรงสแสดงว่าคนที่เกิดมาอายุสั้นก็เพราะผลของปานาติบาตหรือการตัดกรรการทําลายชีวิตคนอื่นสะดืนมาก่อน เกิดมายั่วยืนก็ก็งดเว้นจากการทําปานาธิบาตเกิดมามีโรคน้อยโรคมากในกรณีโรคน้อยก็เพราะว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ในกรณีโรคมากก็เพราะเคยเบียดเบียนสัตว์มาก่อนมันก็สะท้อนกลับไปสู่โรคอีกสามประการที่ทรงสแสดงไว้ว่าโรคบางอย่างนั้นจะรักษาหรือไม่รักษาก็าหายโรคบางอย่าง ต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตายไอ้โรคประเภทที่สามเนี่ยมันเป็นโรคซึ่งเกิดจากวิบาขหงกรรมตอนคนบางคนมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับข้างในบ้างข้างนอกบ้างแล้วก็เจ็ดปวดประสบความทุกข์ทรมานอย่างนั้นตลอดไป รักษา ย, ยังไงก็ไม่หายเพราะว่าเป็นโรคซึ่งเกิดมาจากวิบาขหงกรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้ตอนในที่เนี้ยปราณตากราจารย์ถ้กก็นำไปขยายความมธิบายออกไปโดยวิจิตพิสดารหรือกลายเป็นในสง์ของศีลปานาธิบาตข้อเดียวนะฮะยี่สิบสามข้อ เ พ, เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นแล้วก็มองไปที่ชีวิตของเราบางอย่างที่เราหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยว่าทําไมเราจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าสาเหตุบางอย่างเนี่ยมันมาจากอดิเตกรรมเราก็หาคําตอบในชาติปัจจุบันไม่ได้ ทำไมพี่น้องไม่มีทำไมปู่ย่าตายายไม่มีทำไมในสายเลือดเนี่ยวงสาระขนาดใหญ่ตรงนี้ทจึงไม่มีทำไมคนนี้จึงมีมันก็แสดงให้เห็นได้ว่าอิทธิพลในชีวิตของคนนั้นไม่ใช่เรื่องของกรรมพันธุ์อย่างเดียวไม่ใช่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไม่ใช่สายเลือดอย่างเดียวแต่ว่ามี อ, อะไรอยู่เบื้องหลังที่เราเรียกว่ากรรมส่วนจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อั น, นิี้สงของปาณาติบาตันแสดงว่าบริบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่คนเรที่เกิดมาอวัยวะครบทั้งสามสิบสองประการเป็นการครบในลักษณะที่เรียกว่าไม่ต่ำนักไม่สูงนักไม่อ้วนนักไม่ผมนักก็แสดงว่าสัดส่วนนั้นพอดีคือสูงเกินไปก็ไม่ดีต่ำเกินไปก็ไม่ดีอ้วนเกินไปก็ไม่ดีผมเกินไปก็ไม่ดี เ ร, เรียกว่าอวัยวะที่พอดีนะี่ยมันเป็นผลมาจากการงดเว้นจากปานาติบาต์อยู่ด้วยประการหนึ่งที่เราเรียกเป็นก ร, รมมัชรูปคือกรรมมันมาสร้างรูปรูปบางคนบางคนมันสวยงามที่ทรงแสดงไว้ในนิธิการเดสรที่ว่าสุวรรณตาสุสารตาสุสันทานังสุรูปรตาที่ปัจจังบริวารโรสบมิเตนะละปิสุวรรณตาคือมีผิวพรรณสวยงาม สุสลตาคือมีเสียงไพเราะสุสันธานังคือสวดส่งสมส่วนสุรูปรตาก็คือรูปงามเดยเจนว่าในกรณีที่ผิวพรรณสวยงามก็ดีในกรณีที่รูปงามก็ดีในขณะที่สวดส่งสมส่วนก็ดีเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการงดเว้นจากบาปนอติบาตแน่นอนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ที่บุคคลเหล่านั้นได้เกิดในครอบครัวในสกุลที่ สายเลือดเนี่ยเขามีบุคลิกลักษณะดีแต่ถ้าเรามองย้อนกลับอีกทีนว่าทำไมยึงได้มาเกิดตรงเนี้ยมันก็จะไปเจออันดิตกรรมในลักษณะนี้ข้อต่อไปประกอบด้วยร่างกายอันสมสงหรือสมสัสดส่วนสุสันทนานังเนี่ยมีสวดทรงสมส่ว น, มวนไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักตลอดถึงไม่ดำนักไม่ขาวนักนะครับ ัวอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสมส่วนบางคนที่แสดงถึงบุญญาธิการแสดงถึงบารมีนะาจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสรีระของพระองค์เนี่ยเท่ากับวาของพระองค์จะมีประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ย วัจจกพนาพีลงไปที่ปลายประบาทกับรักหนักมาพีมาจนเหนือจนถึงศีรษะนี่เท่ากันแล้วก็มีรูปเป็นลักษณะทักษิณาวัดก็พระองค์ก็คงไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าในประวัติศาสตร์บางแห่งในเขียนไว้ว่าเป็นชายร่างเล็กแต่ก็สมส่วนในส่วนของพระองค์ และสมบูรณ์ด้วยกาลังกายความว่องไวอันนี้ก็เป็นผลดีมาจากการที่เราไม่บันทอนไม่ตัดรอนไม่ทําลายล้างชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นมาก็เป็นบุญกุศลที่อํานวยผลให้มีกําลังกายมีความว่องไวมีความประเปลียวแล้วเป็นผู้มีท้าประดิษฐ์ลงได้ดีคือเวละเหยียบพื้นเนี่ยมันแน่นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเหยียบพื้นไม่หนักแน่นไม่มั่นคง แล้วก็ลื่นถลายได้ง่ายนะหกล้มได้ง่ายแต่ว่าคนบางคนนั้นเท้าที่เหยียบลงเนี่ยมันสนิดมันแนบจะสวมรองเท้าหรือไม่สวมรองเท้าก็ตามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องไม่สวมรองเท้านะดูง่ายไอ้สวมรองเท้ามันก็รองเท้าก็แต่งเอาไว้วก็ทําให้ดูยากแล้วก็เป็นผู้มีผิวพรรณสดใสรุ่งเรือง อันนี้ในที่บางแห่งเนี่ยมันที่จริงมันก็สอดคล้องกันเพราะว่าในจุลกัมมวิฟังไดสูตรน่ทรงแสดงถึงผิวพ่านที่สดใสรุร่งเรืองนี่เพราะว่าเป็นคนไม่โกรธมีน้ำใจโอปป้ามารีเ อ, อ่อเพื่อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อบุคคลทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีเมตตามีน้ำใจโอปป้ามารีเ อ, อ่อเพื่อเผื่อแผ่มันก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์บางคนไปลงรอบกี่รอบเทียวกัน คือยงที่บอกว่าศีเนี่ยถ้าพอเขาพัฒนาไปถึงธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปนับข้อมันหรอกคือเขาจะไปได้เองโดยธรรมชาติของเขาเขาบูรณาการเขาเองเวลาเนี้ยถ้าเราไปสัมมนาอะไรกันนะักวิชาการต่างนักี่ยเราเจอบ่อยคําว่าบูรณาการบูรณาการบูรณาการแปลว่าทําให้สมบูรณ์ ทีนี้เรื่องบางเรื่องถ้ามันเป็นนามธรรมมาเป็นกระบวนการทางจิตเนี่ยเราไปบูรณาการไม่ต้องไปบูรณาการมันเองมันเป็นกระบวนการา oui. เราทำมาเชยนสมมติว่าเรารักพ่อรรักแม่ของเราเนี่ยเราจะมีความอดกลั้นมีความอดทนมีความเคารพมีความนับถือมีความศรัทธาในพ่อแม่คนที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของเราเราก็นับถือคนที่เป็นศัตรูกับพ่อแม่ของเราเราก็ไม่ชอบคนที่พ่อแม่ นับถือเราก็นับถืออะไรแต่มันลากกันไปเองไงมันบูรณาการมันไปเองมันเป็นกระบวนการของธรรมะแต่ถ้าสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุเนี่ยก็เห็นด้วยนะฮะคือบูรณาการเนี่ยเห็นด้วยถ้าเป็นรู ป, ปรวัตถุแต่ถ้ากระบวนการการทำทั้งกุศลทั้ง อ, อกุศลไม่ต้องไปไปไปบูรณาการมันคือมันเกิดโดยธรรมชาติเข้ามา แต่ไปเกิดโดยธรรมชาติก็แสดงว่ามันไปยันกันไปนะยันกันไปยันกันมาว่าถ้าอย่างนี้มีอย่างนี้ต้องมีถ้าอย่างนี้มีอย่างนี้ต้องมีเมื่ออย่างนี้ไม่มีแสดงว่าอย่างนี้ก็ต้องไม่มีมันก็เหมือนกับขวัญคำขวัญในสมัยรัฐบาลเปรมเพืมาชอบยกตัวอย่างตรงนี้เพราะว่ามันยาวเหลือเกินนะ่ะคำขวัญ แล้วเป็นคำขวัญของคุณเพรมเองก็สามข้อนะเป็นคำขวัญขององค์การประชาชาติเองก็สามข้อของคุณเพรมบอกว่าสามัคคีมีวินัยเผยคุณธรรมขององค์การประชาชาติก็บอกว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติส่วนท่านผูเกี่ยวสังเกตได้ว่านะสันตินะ่นนะเป็นเป้านะฮะคือถ้าพูดทางแนวอริยสัจก็คือเป็นนิโรดนิโรตนอกจากนั้นก็เป็นมรรคนะ เห็นมาอีกอีกห้าข้อเนี่ยมันจะเป็นมากเพราะว่าสันติมันเป็นนิโรธอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่พูดถึงทุกไม่พูดถึงสมุทยัยเพราะว่าเมื่อมากมันขยับก็เยือนไปเนี่ยมันขจัดสมุทยัยก็จัดทุกข์ให้เองแล้วในตัวงเขาเองเขาก็ยันกันไปกันยันกันมาถ้าอย่างนี้ ม, อ ม, อมีอย่างนี้ก็ต้องมีอย่างนี้มีอย่างนี้ก็ต้องมีนะเช่นอะไรล่ะตัวหลักจริงๆเนี่ยคือไฟคุณธรรมทีนี้คนที่ไฟคุณธรรมเนี่ย ก็ต้องเป็นคนที่มีระเบียบปินัยคนที่อยู่ในระเบียบปินัยเนี่ยมาทํางานประสานกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันก็กลายเป็นสามัคคีงานที่ทําร่วมมือกันด้วยความสมานสมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันช่วยเหลือกันนะแบ่งเบาภาระกันถ้วยรับผิดชอบกันมันก็กลายเป็นร่วมแรงแข่งขัน ร, รูปแบงแข่งขันมันเป็นผลมันเกิดผลคือช่วยกันพัฒนา คือเพิ่มพูนขึ้นไปเรืเร่อยๆแล้วสันติมันก็เกิดมันเองทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีระเบียบยี่ไนก็แสดงว่าเราไม่ฝ่ายคุณธรรมถ้าหากว่าเราไม่สามัคคีกันก็แสดงว่าเราไม่ฝ่ายคุณธรรมเพราะในการฝ่ายคุณธรรมเนี่ยมันจะไปซึมอยู่ทุกทุกส่วนของกระบวนการแห่งคําสอนเรานั้น แต่นั้นในที่นี้เป็นผลบุญอย่างเดียวคือผลบุญซึ่งเกิดขึ้นจากโคดเวน้นจากปณิบานเนี่ยทำให้เป็นผู้มีพิพันธ์สดใสรุ่งเรืองเป็นผู้มีรูปโฉมงามสะอาดเป็นที่เจริญตาเจริญใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งซึ่งติดมาโดยกำเนิดรูบ้างหน้าตาของเขามันน่าประทับใจสวยงามเป็นผู้ชายก็ สงงางามเป็นผู้หญิงก็สวยนะก็ เ, เรียกว่าหลอ่อแต่ผู้ชายก็เรียกว่าหลอ่อแต่ผู้หญิงก็สวยแล้วมันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากกุศลกรรมนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําบุญอะไรในชาติปัจจุบันเกิดแววมาถึงนี่เรายังไม่ไทําอะไรแต่ทําไมรูปร่างมันดีหน้าตามันดีผิวพรรณมันดีสูททรงสมส่วนสันทานสันทา น, ส, น, า น, ส, น, านสันทัดอะไรติด ท, ท, ที่ที่เราพูดเนี่ย นั้นก็แสดงว่าเป็นผลมาจากการงดเว้นจากปณิัาิแล้วเป็นผู้อ่อนโยนมีผิวพันธ์ดังปุยนุ่นนีหมายความว่าจิตมันเดินไ่จนถึงเมตตาในสัตว์เอ่เมตตาอินโดูในสัตว์ทั้งหลายแล้วนะฮะคือจิตต้องไม่หยาบมันสร้างผลกรรมคือเป็นผิวพันธ์ที่ไม่หยาบแล้วก็เป็นผู้ที่ อยู่อย่างมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีคาศึกศัตรูที่อาคาตพยาบาทจะต้องเบียดเบียนร่างผลาญอะไรกันแล้วก็เป็นคนที่องอาจกล้าหาญคือคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความชั่วอะไรอยู่ภายในใจเนี่ยนันไม่ต้องไปตกกังวลอะไรออกสมมติเรานั่งๆ่งอยู่ตำรวจวิ่งกันมาเป็นขบวนเนี่ย เราก็อาจจะนั่งดูเฉยๆหรือว่านั่งเฉยๆอาจจะนั่งดูหรือว่าเฉยๆก็ทำได้ทั้งสองอย่างแต่เราจะไม่ตื่นเต้นไม่ตรนกไม่แสดงอาการพิรุษอะไรเพราะว่าเราไม่มีเหตุที่จะให้ตารวจไปจับคุมขุมขังอย่างนั้นแต่การต่อไปก็คือมีกำลังมากสุขภาพกายในดีเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยบันทอนสุขภาพกายของคนอื่นภาราไมยของบุคคลอื่น ไอบาประกรรที่จะตามมาสนองผลมันก็ไม่มีไม่มีให้มาสนองผลก็กลายเป็นพื้นเพยจริตรัตยาที่สร้างลักษณะนิสัยสร้างลักษณะนิสัยให้บุคคลเรานั้นเนี่ยซึ่งใจมันไม่แรงด้วยอำนาจของกิเลสเระการที่คนเราฆ่าสัตว์ได้เนี่ยใจไม่ใช่ปกติหรอกใจปกติเขาไม่ฆ่าหรอก ท่านฟังลองสังเกตดูนะว่าสมมติว่าใครเนี่ยก็ทำอมโรก ร, ราจอจะถือไม้ถือไม้ตะพดถืออะไรไปหรือว่าวิ่งไปนี่จะชกจะต่อยสมมติบ้านนะ่ะสมมติน อ, อนไอคนนั้นก็เกิดสานึกผิดว่าไปล่วงเกินเรายกมือไหว้ขอขามาโทษอย่างแรงไอนี่มันเกิดสลายโทสะว่ า, าอาจจะเงื้อมือไปแล้วแต่ว่าทำไม่ได้ เพรา ะ, ะรเพราะว่ามันเกิดเมตตาสงสารขึ้นมาไปสลายโทสะอจะเงยมือแต่ว่ามันก็มือลงคือไม่ตบไม่ตีไม่โชคต่อยอะ ไ, ะไรต่อายไรลงไปนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันสร้างพื้นจริตอัธยาศัยเรานันเวลาท่านพูดท่านจาอะไรกับใครก็วาจาที่ไปเราะเพราะพิ้งสะละสะลอย แล้วก็ตัวเองก็ไม่เคยสร้างเวทสร้างไฟอะไรกัใครมาเพราะว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เบียดเบียนใครมันก็ทําให้เป็นคนที่มีบริษัทบริวารมีพรรพวกมากมีเปื้อมผูงมากเรื่องนมีอยู่คราวเดิมหลายปีมาแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกแต่ก็ฟังหูไว้หูที่แปลกเ่ยคือว่ามีคนคนหนึ่งเขาอะไรล่ะ คล้ายๆกับเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมแกนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยมีพระเดินผ่านไปรูปหนึ่งแกบอกโอ้โหพระนี้ปีศาจเดินตามเป็นพรวนเลยเดี๋ยวเป็นเจ้ากรรมนายเวนี่เดินตามมาเป็นพรวนเลยแสดงว่าเคยฆ่าคนมาเยอะ แต่ติเกะเห็นได้ยังไงที่มันแปลตัวนั้นแล้วแปลทติเกะรู้ได้ยังไงนะว่าพระรูปเนี้เขาคือเป็นทหารรบกันที่นั่นนถูกขมิ้นล้อมที่นั่นตอนขมิ้นเข้ามาล้อมเนี่ยเขารู้สึกจะไปกินอาหารหรืออะเป๊ไ ป, ป, ป, ปถ่ายนะกลับมาถึงปรากฏเพื่อนตายเรียบเลยโกรธเต็มที่ยิงจับปืนก็ปวราดยิงโดยไม่ดูดำดูดีอะไรเลยมันตายเยอะ แล้วแกก็บาเดเจ็บเยอะนะฮะคือผ่าแผวนี่ปวดหวะไปหมดเลยตามตัวเนี่ยในสูตรก็บวดมันก็แปลกะนะว่าเขาเห็นได้ยังไงนั่นก็แสดงว่าวิบากกรรมตรงนี้มันจะตามมาสนองผลแล้วแกก็บอกนะบอกว่าพระนี้ควรจะอยู่ในป่าแลจะจะเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลให้แกคนเหล่านี้สร้างความ จะเปลี่ยนจะสัตว์ให้เป็นมิตรให้ได้แล้วต่อไปก็จะดังนะฮะต่อไปก็จะดังแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่พบกันนานแล้วไม่ทราบลูกข่าวว่าศึกไปบทใหม่นี่ก็เป็นเป็นเรื่องแปลกท่านเองก็เล่าเล่าแถบมาไว้เพราะว่ามันในบริษัทเนี่ยพวกพวกเนี่ยหรือถ้าเราเป็นมิตรกับเขามาเราสร้างสมความดีกับเขามาเนี่ย มันเป็นลักษณะของมิจฉจิตมิตฉใจก็เป็นการมองจากชาติปัจจุบันนี่แหละก็ไม่ต้องมองไปไกลขนาดชาัดชาติก่อนอะไรหรอกเพราะงั้นคนที่ไม่เคยคาดสัตว์ไม่เบ็ดเบียนสัตว์มาก็จะมีพักพวกเพิ่มผูกมากและเป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัวต่อภัยอันตรายอะไรได้ง่ายๆนะะอาจจะมีภัยมันอาจจะมีอันตรายมาันอาจจะมีเรื่องอะไรมา แต่ว่าเราไม่สะดุ้งไม่ตกใจไม่หวาดระแวงบางครงบางคราวอาจจะมีฆ่าศึกัตรูต้องการทําอันตรายแต่ก็ทําไม่ได้นะฮะทาไม่ได้วมืก่อนไปประชุมในที่หนึ่งก็พระสังฆติการท่านเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทํางานต่างๆเวลาเนี้ยมันต้องต่อสู้กับพวกยาเสพติดนะฮะขู่่าบ้างมันสั่งโทรศัพท์ขูบ่บ้างอะไรต่ออะไรบ้าง ท่านก็พีต่ตกกังวลกันแล้วก็จริงๆก็ไม่เรื่องไม่ไม่ควรที่ไปตกใจอะไรล่ะคนทําความดีเนี่ยอย่าไปคิดว่าทุกคนเราจะเห็นว่าเราดีมันมีคนเกลียดเราจนได้แหละขณะพระพุทธเจ้านะฮะอนุเคราะห์ต่อโลกสารพัดเลยไม่ต้องการอะไรจากโลกแต่พระเจ้าก็มีศัตรูเบียดเบียนพระองค์อยู่ตลอดอเพียงแต่มันทําไม่ได้แต่นั้นเองมันการทําความดีเป็นภารกิจของเรา แต่ว่าเราจะให้คนทุกคนยอมรับเราดีนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วไม่มีใครทำได้ด้วยนะมีคนตำหนิมีการตรงติงมีคนกล่าวหาอย่างที่โบราณท่้งเตือนเอาไว้เนี่ยอินทนากาเลมเทนา้าไม่ชอกซ้ำหมือนอมีดมาตีถินในอะงค์พระปฏิมาอย่างลาคินคนเดินดินที่จะพ้นคนนินทาแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องสะดุ้นกลอะไร แล้วก็สมมติว่าเขามาทําอะไรมันก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ตายเร็วขึ้นนั่นเองเราก็ตายอยู่แล้วคือเขาจะฆ่าเราหรือไม่ฆ่าเราเราก็ตายอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องไปพิจกกังวลอะไรเพียงแต่ว่าเราได้ตายเร็วขึ้นแต่ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ในเราได้ทําดีการชีวิตมนุษย์ที่จะต้องหาคําตอบก็คือว่ามันตายเมื่ อ, อไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกตายเมื่ อ, อไหร่ตายอย่างไรตายที่ไหน นะตายเพราะเหตุไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่เรารู้แน่นอนว่าปัจจุบันเราทําดีก็พอแล้วนะเราทําดีในปัจจุบันก็พอแล้วพระธรรมยามรักษาคุ้มครองนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีกรรมอดีตอยู่เราก็ไม่รู้อกันมันมีอะไรบ้างนนะอนะฮะเพราะงั้นมาถึงจุดหนึ่งก็คือว่า เราก็พยายามทำความดีแล้วก็ตายไปอย่างเป็นการตายของคนดีชือเสียงเกียรติคุณความดีก็เป็นตราประดับโลกไม่ต้องไปวิตกังวลอะไรแล้วก็ไม่ตายโดยความพยายามของบุคคลอื่นนี่เป็นลักษณะพิเศษนะฮะอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบาลีจะเรียกว่าอเพทัศรีระแปลว่ามีสริยะที่ใครทำลายไม่ได้เราพูดจำนวนในไ ท, ไทยก็คือคงพันชาตรี เราสังเกตว่าแปดสิบปีนะฮะแห่งประชดิมชีพสี่สิบห้าปีห้าสิบเอ็ดปีที่ทรงเป็นนักบวชไม่มีเคยเคยทำโลหิตพระพุทธเจ้าออกจากพระวรากายแม้แต่หยดเดียวนะฮะแต่ถ้าเรามองประวัติาศาสดาทั้งหลายในโลกนีโอส้สบักสบอบศาสดานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะคือตั้งเกิด ม, มาเนี่ยบางคนสูญเสียผลประโยชน์จากการเกิดของาศาสดาเหล่านั้นได้เยอะ เช่นท่านสอนเรื่องเอาขนาดเนี้ยสอนว่าไม่ให้คนเสพอย่าบ้าเนี่ยหรือให้คนที่ผิดจาหน่ายอย่าบ้าให้งดเว้นให้เลิกละเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะทั้งสองฝ่ายเพราะในเมื่อเมื่อไม่มีการเสพเนี่ยการจําหน่ายมันก็ได้ราคาน้อยลงกำไรมันก็น้อยลงเพราะว่าเป็นศัตรูกับพวกจําหน่ายกับเจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยฮะเราถือว่าพระนั้นเป็นตัวกัดขวางผลประโยชน์ เอนนันก็ก็ <k> <ๆ>พูดกันแย่ามาขี้เกียจพูดคือเรื่องอย่างนี้เราเราถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่เห็นมีคุณค่าอะไรจะต้องสนใจมันทำไปเถอะความดีให้ทำแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าทุกคนจะมองเห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วก็มีบริวารที่เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆไปไหนก็มีคนรักใคร่สนิทสนมเสน่หามีรูปร่างสวย ง, งามมีส่วนทรงสมส่วนแล้วก็มีโรคภยยัยแขบเจ็บน้อยนะะ ไม่เค่อยมีเรื่องเสียอกเสียใจกุบบกุมใจเพราะเราไม่เคยพระกร้าใครคราวนี้ต้งฟังควานึกออกคำว่ามักท่านเท่าใดมักตนเท่านั้นเนี่ยพอดีเราไม่ได้ทําอะไรแกใครบางใครจะไปทําอะไรแกเราก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วไปคือเป็นที่รักของชาวโลกแล้วก็ เมื่อ เ, เป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองสิ่งอะไรก็ตามที่ตนรักใคร่ชอบใจนะสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่สูญหายไปแต่ที่สำคัญคืออายุยืนอายุยืนเนี่ยปัญหาว่ายืนยืนขนาดไหนจะมามีอาอยู่สองคนเป็นอาสะพ้ายคนหนึ่งอาเป็นลูกผู้น้องของพ่อคนนึงคนหนึ่งเก้าสิบสี่คนหนึ่งเก้าสิบหก อาสะพายเนี่ยเก้าสิบหกที่เราปิดเต้นเนี่ยคือไม่หลงเลยพูดจาอะไรแต่ไรเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยชอมจําไปยังแม่นสติสตางยังดีหูตาฟันอะไรแต่ะไรอย่างดีอันนี้เขาแสดงว่าเป็นผลมาจากการทําบุญแล้วเราก็เห็นว่าเอออาทั้งสองเนี่ยเขาก็ทําบุญมาเราเด็กๆ เ, เขาเห็นเขาก็ทําบุญมาแล้วก็ จนเฒ่าแก่มาแล้วก็ยังทาบุญทําให้เห็นว่าอั น, นสูงเนี่ยที่จริงมันส่วนหนึ่งมันก็ตามมาในปัจจุบันยัำวยผลให้มีอายุยืนอยู่ในปัจจุบันผลผลจากการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็จบลงที่ว่ามีอายุยืนไม่มีใครไปตัดรอนทําลายชีวิตให้สั้นลงต้องฟังเท่าไหร่แต่ ร, ร่มปทธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามพิบูร์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี